และผู้ใดเทือล้อทรงชี้ทางนำให้ก็ไม่มีผู้ใดจะทำให้เขาหลงทางไปได้อลัลลอฮ์ไม่ใช่ผู้ทรงเดชานุภาพผูพ้ทรงตอบโต้อย่างเด็ดขา ด, ดหรือ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا ي ق و ل ُ ن الله قل أ خ ر ي ت م ما تدعون من دون الله إلا أرادني الله ب ض ر ّ هل هنك ا شفاة ضرره أو أرادني ب ر ح م ٍ ه َ ل هن ممسك ا ت رحمته Allah, และถ้าเจ้าถามพวกเขาว่าใครเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินแน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าอาลัลลอฮ์จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือว่าสิ่งที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอาลัลลอฮ์นั้น หากอลัลลอฮฺประสงค์จะให้มีความทุกข์ยากแก่ฉันแล้วพวกมันจะปลดเปลื้องความทุกข์ยากของพระองค์ได้ไหม่หรือหากพระองค์ประสงค์จะให้ความเมตตาแก่ฉันแล้วพวกมันจะยับยั้งความเมตตาจากพระองค์ได้ใหม่จงกล่าวเถิดงวง ม, มัดว่าล้อทรงพอเพียงแก่ฉันแล้วแด่พระองค์ท่านเท่านั้นบรรดาผู้มอบความไว้วางใจจะให้ความไว้วางใจ จงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าโ อ, โอ้กลุ่มชนของฉันจงทำงานตามสภาพของพวกเจ้าแท้จริงฉันก็เป็นผู้ทำงานแล้วพวกเจ้าจะได้รู้ يُخْزِيهِ ผู عليه ้ที่การลงโทษจะมาอย่างเขาก็จะทำให้เขาอับปย์และการลงโทษตลอดกาลก็จะประสบแก่เขาอินนัลจะนาอัลเลาะห์กับคัตตา ن ลّ ا นِสบิ ل ْ ح ก ق ِّ <ت ص في ق> แท้ ى ي จริงเราได้ประทานคำภีกแก่เจ้าเพื่อมนุษยชาติจริงๆดังนั้นผู้ใดปฏิบัติตามแนวทางที่ถูกต้องก็จะได้แก่ตัวของเขาเองและผู้ใดหลงทาง เขาก็จะหลงอยู่บนทางที่ผิดและเจ้าก็ไม่ได้เป็นผู้รับผิดชอบต่อพวกเขาอัลลอหฺย์เัวฟลอันฟุสฮีนมาอูธียาวัลละทีลัมเตมุตฟีมานามียาฟยุมซิคัลทีกวดาอะลัยฮัล์มาอูต์วยุรซิลอุคราอิลลาอะจลิมมุซ ม, มา Allah ทรงปลิดชีวิตในยามที่มันจะตายแล้วมันจะยังไม่ตายในขณะนอนหลับพระองค์จะทรงปลิดชีวิตตามที่พระองค์ทรงกําหนดความตายให้แก่มันและพระองค์จะทรงยืดชีวิตอื่นๆไปจนถึงเวลาที่ถูกกําหนดไว้แท้จริงในการนั้นแน่นอนย่อมเป็นสัญญาณสําหรับกลุ่มชนผู้ใไร้ครวญ อเมนทตะวถูงมิ น, ออนด้โดาพระเจ้าที่ทรงสร้างูลรควโลกนี้ขึ้มน ม, มนาท่านจะรู้ได้ยหงไงว่าพวะเจ้าทรงสร้างสรร่วโลกนี้ขึ้นมาพระเจ้าทรงสร้างสรรค์โลกนี้ขึ้นมละพวกมันก็ไา่มีรติปัญญกระนั้า จลลงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดว่าความช่วยเหลือเป็นสิทธิของอัลลอฮ์โดยสิ้นเชิงอำนาจแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์และพวกเจ้าจะถูกนำกลับไปยังพระองค์ َإِذَا اللَّهُ وَحْدَهُشْ مَأَزَّدْ และเมื่อพระนามของอัลลอฮ์ถูกกล่าวเพียงพระองค์เดียวจิตใจของบรรดาผู้ที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิระ์ก็รังเกียจ แต่เมื่อบันดาจเว็ตถูกกล่าวอื่นจากพระองค์เมื่อนั้นพวกเขาก็ดีใจโอลิลลอฮ์มม์ฟาตรัสสมาวะติแัลอัลด์กาลิมัลกิบบิและชะฮัดอัลททผูกครองของผูอทอาน่ีาตนจงกล่าวเถิดมุฮัมหมัดว่าโอ้อัลลอฮ์ พระผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินพระผู้ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งเปิดเผยพระองค์จะทรงตัดสินระหว่างปวงเบาของพระองค์ท่านในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกัน َلَا لِلَّذِينَ فِي และหากว่าบรรดาผู้อาธรรมมีสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินทั้งหมดและมีเยื่งนั้นอีกด้วยแน่นอนพวกเขาจะขอไถด้วยสิ่งนั้นให้พ้นจากการลงโทษที่ชั่วร้ายในวันเกียมาแต่สิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยก็คือ สิ่งที่มาจากอัลลอฮ์นั้นจะปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาและวความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขาและสิ่งที่พวกเขาได้ย่ะเย้ยไว้ในนั้นก็จะได้ห้อมล้อมพวกเขาเอาไว้ فإذا مس الإنسان ضر دعنا ثم إذا خولناه نعمة منا قال ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أتيته على علم بل هي فتنة ลกินขั้นเมื่ออันตรายได้ประสบแก่มนุษย์เขาก็จะวิงวอนขอต่อเราต่อมาเมื่อเราได้ประทานความโปรดปรานจากเราให้แก่เขาแล้วเขาก็กล่าวว่าแท้จริงสิ่งที่ฉันได้รับมานั้นเนื่องจากความรู้ของฉันต่างหากแต่เขาหารู้ไม่ว่ามันคือการทดสอบแต่พวกเขาส่วนมากไม่รู้ โดยแน่นอนบรรดาหมู่ชนก่อนหน้าพวกเขาได้กล่าวมันไว้เช่นนี้ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาได้กระทำไว้นั้นหาได้อำนวยประโยชน์แก่พวกเขาไม่ ي ي م م ฉะนั้นความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทมไว้จึงประสบแก่พวกเขาและบรรดาผู้อธรรมจากหมู่ชนเหล่านั้นความชั่วทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำไว้ก็จะประสบแก่พวกเขาเช่นกันโดยที่พวกเขาจะไม่สามารถหนีรอดพ้นไปได้ أَوَلَمْ اللَّهَ ال พวกเขาไม่รู้ดอกหรือว่าอัลลอฮ์ทรงแผ่ปัจจัยอย่างที่แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์และทรงให้คับแคบ แท้จริงในการนั้นย่อมเป็นสัญญาณสำหรับกลุ่มชนผู้ศรัทธา จงกล่าวเถิดมัวหมัดว่าโอ้พวงเบาของข้าที่เป็นผู้ละเมิดต่อตัวของพวกเขาเองพวกเจ้าอย่าได้หมดหวังต่อความเมตตาของอัลลอฮ์แท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงอภัยความผิดทั้งมวลแท้จริงพระองค์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอวอออนีบบลลา แลนาะลอวาละบนุอมนาทษจมาและจารลและจงผิดหน้าไปหาพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าและจงนอบน้อมต่อพระองค์ก่อนที่การลงโทษจะมาอย่างพวกเจ้าและพวกเจ้าจะไม่ได้รับความช่วยเหลือว และจงปฏิบัติตามสิ่งที่ดียิ่งที่ได้ถูกประทานลงมาอย่างพวกเจ้าจากพระผู้พิบาลของพวกเจ้า ก่อนที่การลงโทษจะมาอย่างพวกเจ้าอย่างฉับพลันโดยที่พวกเจ้าไม่รู้สึกตัวชีวิตหนึ่งจะกล่าวว่าโอ้ความหายนะจงประสบแกฉันอันนึ่องด้วยฉันได้ทอดทิ้งหน้าที่ที่มีต่อลอและฉันเคยอยู่ในหมู่ผู้เยอะเยอะอีกด้วย تَقُولَ لَاوْ اللَّهَ أَنَّ مِنَ الْمُتَّقِينَ หรือชีวิตนั้นจะกล่าวว่าหากเราทรงชี้นำแก่ฉันแน่นอนฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้ยำเกรําองพระเจ้าจะอยู่ในหมู่ผู้ยั่งเ ف รอูต่ํ ا ห م ือที่บกา ن ช หรือชีวิตนั้นจะกล่าวขณะเห็นการลงโทษว่ามาดว่าฉันมีโอกาสกลับไปสู่โลกนี้อีกครั้งหนึ่งฉันก็จะอยู่ในหมู่ผู้กระทำความดีด ب ب อัลลอฮฺตรัสว่าเปล่าเลยแน่นอนสัญญาณทั้งหลายของข้าได้มายัางเจ้าแล้วแต่เจ้าได้ปฏิเสธมัน และเจ้าได้ยิงยะโสและเจ้าได้อยู่ในหมู่ผู้ปฏิเสธศรัทาและในวันกี่ยามะเจ้าจะเห็นบรรดาผู้กล่าวเท็จต่อหรอโดยที่ใบร น, น้าของพวกเขาดำคล้ำ ดังนั้นที่พมนักสำหรับบรรดาผู้หญิงยะโสนั้นไม่ใช่นรกดอกหรือและเราส่งให้บรรดาผู้ยำเกรงรอดพ้น เพราะชัยชนะของพวกเขาโดยที่ความชั่วร้ายจะไม่ประสบแก่พวกเขาโดยที่พวกเขาจะไม่โศกเศร้าเสียใจอัลลอ้ากคลุลชัยอลคุลชัยอ์ลอัลล์ือผู้สร้างทุกสิ่งและพระองค์เป็นผู้ทรงดูแลคุ้มครองทุกสิ่ง การควบคุมกิจการแห่งบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินเป็นสิทธิของพระองค์และบรรดาผู้ปฏิเสธสัญญาณทั้งหลายของอัลลอฮ์ชนเหล่านั้นคือพวกขาดทุน บบจงกล่าวเถิดมัมหมัดว่าพวกเจ้ า, ชาใช้ฉันเคารพสการะสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์ ก, กระนั้นหรือโอ้พวงบ่าวผู้โง่เขลาเอ๋ย และโดยแน่นอนได้มีองค์การมายัางเจ้าและยังบรรดานับีก่อนหน้าเจ้าหากเจ้าตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์แน่นอนการงานของพวกเจ้าก็จะไร้ผลและแน่นอนเจ้าก็จะอยู่ในหมู่ผู้ขาดทุ น, มมนแต่ว่าจงคารพพักดีอัลลอฮ์และจงอยู่ในหมู่ผู้กตันอยู่เถิด الله ق ق َمَا اللَّهَ قَدَرُ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ يَوْمَ وَالْسَّمَاوَاتُ قَبْضَتُهُ جَمِيْ และพวกเขาไม่ได้ความยิ่งใหญ่แด่อัลลอ์อย่างแท้จริงและแผ่นดินนี้ทั้งหมดอยู่ในอุ้งพระหัตถ์ของพระองค์ในวันกิยามะ และบรรดาชั้นฟ้าจะม้วนกลิ้งด้วยพระหัตถ์ขั้นขวาของพระองค์มหาบริสุทธิ์ยิ่งแด่พระองค์และพระองค์ทรงสูงสงเหนือสิ่งที่พวกเขาตั้งพ า, ากม และสังได้ถูกเป่าขึ้นแล้วบรรดาผู้ที่อยู่ในบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินจะลม้มลงสิ้นชีวิตเว้นแต่ผู้ที่เอา ล, ล็อปประสงค์แล้วสังได้ถูกเป่าขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเขาก็ลุกขึ้นยืนมองดู وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب و ج َ بالنبيين والشهداء و ج َ بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. แล้วแผ่นดินจะเป็นประกายด้วยรัศมีแห่งพระผู้อภิบาลของมันและบันทึกจะถูกกางแผ่บรรดานาบีและบรรดาพยานจะถูกนำมาและจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมและพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมเลย และทุกทีวิตจะได้รับการตอบแทนอย่างครบถ้วนตามที่ได้กระทำไว้และพระงองค์ทรงรู้ดียิ่งในสิ่งที่พวกเขากระทำไว้ออต فتح أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم؟ وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسلا منكم يتعلون عليكم آيات ربكم و ي ذ ِ ر و ن ك م لقاء يومكم هذا. และบรรดาผู้ปฏิเสธสถานจะถูกไล่ต้อนไปสู่นรกเป็นกลุ่มๆจนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงประตูทั้งหลายของมันจะถูกเปิดออกอยามเฝ้าประตูนรกจะกล่าวแก่พวกเขาว่าบรรดารอซูลของพวกเจ้าไม่ได้มาอย่างพวกเจ้าเพื่ออ่านสัญญาณต่างๆ แห่งพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าให้แก่พวกเจ้าและกล่าวเตือนพวกเจ้าถึงการพบในวันนี้ของพวกเจ้าดอกลูพวกเขากล่าวว่ามีครับแต่ว่าประกาศสิทธิแห่งการลงโทษเป็นที่คู่ควรแล้วแก่บรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา จะมีเสียงกล่าวว่าพวกเจ้าจงเข้าประตูนรกเถิดโดยเป็นผู้พำนักอยู่ในนั้นตลอดกาลดังนั้นบรรดาที่พำนักของผู้หญิงยะโสช่างเลวจริงๆ و و ت ت และบรรดาผูย้ยำเกรงพระผู้พิบาลของพวกเขาจะถูกนำสู่สวนสวรรค์เป็นกลุ่ม จนกระทั่งเมื่อพวกเขามาถึงและประตูทั้งหลายของมันจะถูกเปิดยามเฝ้าประตูสวนสวรรค์จะกล่าวแก่พวกเขาว่าความสันติจงมีแด่พวกเจ้าพวกเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ดังนั้นจงเข้าไปในสวนสวรรค์โดยเป็นผู้พํานักอยู่ในนั้นตลอดกาล َقَالُ صَدَقَنَا الْحَمْدُ اللَّهِ اللَّذِي لِ تَبَوْوَأُمِنَ فَنِعْمَ الْعَامِرِينَ وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَ الْأَرْضَنَ الْجَنَّتِ أَجْرُ และพวกเขากล่าวว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮผู้ซึ่งได้ทำให้สัญญาของพระองค์สมจริงแก่พวกเรา แล ะ, สสญญะทรงทำให้เราได้ครอบครองแผ่นดินในสวนสวรรค์เพื่อที่เราจะได้พำนักอยู่ตามที่เราประสงค์ดังนั้นรางวัลของผู้กระทมความดีช่างยอดเยี่ยมแท้วรลลมอินนหบบบบั และเจ้าจะเห็นมาลายกะห้อมล้อมอยู่รอบรอบบัลลังก์แส่สองสาดุดีด้วยการสันเสริญพระผู้อภิบาลของพวกเขาและจะถูกตัดสินระหว่างพวกเขาด้วยความยุติธรรมและจะมีเสียงกล่าวว่า การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลลอฮพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก